อาณาสยามยุคท่าที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกฝหนคนนิกายเป็นมหายุติโยธาทัพใหญ่ไสกระทำศึกสงครามกับนักองจันพระเจ้ากรุงกัมพูชาทิพดีทเมไม่ต่อสู้ไทยนักองจังนหนีไปพึ่งยวนของทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกังมาชานาประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิษดารนิรฐานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามพยายามยุธภาพที่สองตอนที่7็ทัพไทยตามตีโจนขมินเมืองกำปอด หมื่นสิทธิสงครามปราบปรามพวกเขเมรเหล่าร้ายตายหมดแล้วจึงรับพระปรับเมืองตราดและไทยที่เหลือตายสามสิบห้าคนนั้นเข้าไว้ในกองทัพแล้วก็ยกพลทหารข้ามลำห้วยเดินทัพไปข้างเหนือรุ่งขึ้นถึงป่าตำบลหนึ่งเขเมรเรียกชื่อว่าไพรพุกชมาแปลเป็นภาษาไทยว่าป่าพุงดอหมื่นสิทธิสงคราม พิจารณาดูตามภูมิลำเนาป่านั้นเห็นหญ้าตามพื้นแผ่นดินเป็นรอยทางคนเดินหญ้าราบซ้ำเป็นแถวไปหมือนสิทธิสงครามเป็นผู้มีวิริยะปัญญาฉลาดในการพิจารณาพิชัยสงครามเมื่อเห็นหญ้าราบเป็นรอยเท้าคนเดินเป็นทางไปในป่าดังนั้นแล้วก็อาจสามารถเข้าใจว่าพวกเขเมรเหล่าร้าย มาแอบซุ้มด้อมมองคอยทำร้ายกองทัพไทยอยู่ที่นี่อีกเป็นมั่นคงชะรอยพวกขมิเหล่าร้ายเห็นกองทัพไทยเดินมาทางนี้โดยมากมันจึงพากันหนีไปซุ่มซ่อนตนอยู่ในป่าละเมาะดงพุงดอเพื่อมันจะคอยรอบนำปืนยิงตัดท้ายพลกองทัพเราฝ่ายเราก็จะคิดการกลอุบายซ่อนกนพวกขมิบ้างจึงจะจับเป็นขมนได้บ้าง แล้วจะได้พาตัวมาจำคาติดไม้เขี้ยนถามให้ได้ข้อความที่พวกมันตีป้นพาเรียลำเลียงสเสบียงอาหารของไทยไปไว้ที่ใดบ้างแล้วจะได้ให้มันนํากองทัพไทยไปจับพวกมันคิดดังนั้นแล้วจึงสั่งหมื่นอินทราวุธกับหมื่นนรินทรโยธาขุมพรไพรพลหกสิบคนยกไปซุ่มอยู่ในป่าระนามท้ายทางที่กองทัพใหญ่เดินไปนั้น แล้วหมื่นสิทิสงครามนายด่านแม่กองใหญ่สั่งให้เดินกองทัพเป็นลำดับไปตามทางป่าพุงโดฝ่ายพวกเขเมิเหล่าร้ายที่แอบซุ่มอยู่ในป่าพุงดอนั้นขั้นเห็นกองทัพใหญ่ของไทยเดินไปเป็นลำดับพวกเขเมิเหล่าร้ายสี่สิบคนที่ซุ่มอยู่ในป่ารกก็ออกมากสกัดทางนำปืนยิงตัดท้ายพลกองทัพไทยตายลงสองคนเพราะพวกนั้น เดินล่าช้าอยู่สุดท้ายจึงตายหมื่นศิษที่สงครามทราบดังนั้นแล้วจึงสั่งขุนศีทังหมามขึ้นมาไปสั่งพลทหารกองหลังให้กลับหน้าลงไปทางข้างใต้แล้วให้แยกทัพออกเป็นปีกระกาตีระดมลงไปไม่รังรอฝ่ายหมื่นอินทราวุธกับหมื่นอินทรโยธาที่คุมพลทหารห0สิบคนไปซุ่มอยู่ในป่านั้น ขันได้ยินเสียงกองทัพไทยหูร้องยิงปืนต่อรบกับฆ่าศึกขมรดังนั้นก็ยกพล60คนออกจากป่าหูร้องยิงปืนกระหนำ่ำสำทับตีหนุนหลังเป็นทัพขนาดสกัดทางไว้แล้วตีรุกขึ้นมาทุกทีจนใกล้ทัพใหญ่พวกขมินเหล่าร้าย44คนอยู่ในระหว่างทางศึกขนาดต้องต่อสู้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังขมรพวกนั้น ต่อสู้อยู่จนตายในกลางที่รบบ้างยี่สิบคนขมนเหลือตายสิบสี่คนหนีไปไม่พ้นก็วางอาวุธลงกราบไหว้ไม่ต่อสู้กองทัพไทยก็จับเป็นมาได้สิบสี่คนหมื่นสิบที่สงครามนายทัพใหญ่สั่งให้ผลทหารตัดไม้ทําเป็นคาจําคอพวกขมน4สี่สิบคนแล้วปักหลักผูกเท้าผูกเอวติดไม้ขมับเคี่ยนหลังสิบห้าทีถามทั้งสี่สิบคน ทั้งสี่สิบคนทนเจ็บไม่ได้ต้องให้การบ้างเล็กน้อยแต่หากระจ่างแจมแจ้งไม่จึงสั่งให้เคลียอนอีกคนละสองยกเป็นหกสิบทีก็ยังไม่ได้ความตามจริงก็มีมื่สิทธิสงครามมีความโกรธหนักจึงสั่งพันจงใจหานราวเก่าให้มัดมือพวกขมร้นสิบสี่คนโยงไว้บนราวไม้ไผ่เป็นแถวห่างห่างกันแล้วให้ทำครบจุดเพลิงเข้าลนตามตัวพวกขมนทุกคน จนผมและขนไม่หนังเกรียมเป็นแผลพองขึ้นทุกคนขมิ้นทนร้อนไฟไม่ได้จึงต้องให้การต้องคำกันว่าพระคเชนทรพิทักษ์ขมิ้นนายกองช้างของนักองค์จันตั้งให้คุมคนเลี้ยงช้างอยู่ที่เมืองกําปอดนั้นพระคเชนทรพิทักษ์ทราบว่ากองทัพไทยแตกพ่ายยวนมาแล้วและกองลําเลียงไทยบรรทุกข้าวปลาอาหารมาถึงเมืองกําปอดติดน้า ยังกำลังเข็นเรืออยู่ในลำครองพระคเชนทรพิทักษ์เข็นว่าได้ทีมีช่องจึงได้ชักชวนพร่ไพนชาวบ้านป่าที่อดอยากขับสนสเสบียงนั้นได้เจ็ดสิบแปดสิบคนแล้วก็พากันมาพร้นตีเรือสเสบียงไทยไปได้เรือย3สิบสามลำแบ่งปันสเสบียงอาหารให้ชาวบ้านป่าดงที่เปล่าร้องมาช่วยกันตีพร้นนั้นไปเป็นส่วนส่วนแต่เรือยี่สสามลำ ทุงท้องเรือให้จมเสียบ้างยังอยู่ที่บ้านพระคเชนทรพิทักษ์ที่ริมหนองบัวบ้างแล้วพระคเชนทรพิทักษ์คิดกลัวกองทัพไทยจะยกมาติดตามเรือสเสบียงที่ตีมาไว้นั้นจึงแต่งให้ขุนกําแหงคัชไกรผู้บุตรขุมคนชาวบ้านป่าร้อยเศษมาสังกัดคอยตีทัพไทยอยู่ที่ห้วยลำละหานไทยก็ฆ่าขุนกัแหงคชไกรและท่ายพลตายหมดไม่เหลือกลับมาเลย แล้วพระคเชนทรพิทักษ์จึงสั่งนักมุมขุมพวกข้าพเจ้านี้มาคอยตีกองทัพไทยให้แตกจะได้ไม่ไปตามถึงบ้านพระคเชนทรพิพร ท, ทพักษ์พระคเชนทรพิทักษ์รุ่นได้ช้างพลายพังของไทยเมื่อกำลังชักลากเรือเดินมาในป่านั้นข้าไทยตายหมดแล้วจับช้างไปได้ยี่สิบเชือกเศษคิดว่าจะนำไปขายให้ยวนแต่เดี๋ยวนี้ ช้างที่ตีพรุนของไทยไปได้ยังอยู่ที่บ้านพระคเชนทรพิทักษ์บ้านแจกจ่ายให้ไปตามชาวบ้านป่าดงบ้างและช้างเก่าของนักองค์จันทร์ก็ยังมีอยู่มากหลายเชือกแต่อยู่ที่บ้านพระคเชนทรพิทักษ์บ้างอยู่ที่ในป่าดงพระเพลิงบ้างให้พวกเขเมิ้นกองชา้างเลี้งไว้บ้างหมายเหตุสิ้นคําให้การพวกเขเมิ้น14คนเท่านี้ หมื่นสิทธิสงครามได้ทราบคําให้การขมรดังนั้นแล้วจึงสั่งให้พันจงใจหานลาวเก่าตัดไม้ทําตะโ ง, งกจําคอพวกขมร้นสิบสีคนพาไปในกองทัพด้วยเพื่อจะให้มันนํากองทัพไทยไปยังบ้านพระคเชนทรพิทักษ์ณหนองบัวในป่าแขวงเมืองกัมปอดเมื่อกองทัพไทยไปถึงบ้านพระคเชนทรพิทักษ์นั้นเป็นเวลาสามยามหมื่นสิทธิสงครามสั่งให้ หมื่นอินทราวุฒกับหมื่นนรินทรโยธาคุมไพร่พลร้อยหนึ่งยกเข้าล้อมบ้านพระขเชนทรพิทักษ์ขมรด้านเหนือให้พันจงใจหารคุมนักโทษขมรสิสี่คนที่อยู่รักษาที่ชุมนุมมีคนอยู่ด้วยยี่สิบหกคนหมื่นสิทธิสงครามคุมไพร์พลร้อยหนึ่งยกเข้าล้อมบ้านพระขเชนทรพิทักษ์ทางด้านใต้พอได้เวลาสัญญาแก่กันแล้วจึงโห่ร้องเสียงไทยกองหนึ่ง โู่ร้องเป็นเสียงขมิกองหนึ่งต้อนไพร่พลเข้าล้อมบ้านพระคเชนทรพิทักษ์แล้วนํำปืนคาบศิลายิงระดมกระหน่าสำทัพเข้าไปทั้งสองด้านด้านเหนือต้องลุยเลนในหนองบัวเข้าไปจนถึงหมู่บ้านขมิพวกพระคเชนทรพิทักษ์ไอ้จึงได้ยกเข้าปรลนในบ้านขมิด้านใต้เข้าทางถนนท้ายหนองบัวตรงเข้าไปถึงเรือนพระคเชนทรพิทักษ์ก่อนทุกกองเหมือนตีตีสงคราม จับได้ตัวพระคาเทนทรพิทักษ์ทั้งบุตรชายหญิงและพันธยาครอบครัวขมรจับเป็นมาได้46คนกองหมื่นอินทราวุธิหมื่นนเรนโยธาจับขมรเป็นมาได้20คนรวมได้ขมรเฉลยมา60คนทั้งชายทั้งหญิงแต่ขมิญที่สู้รบต้องเปื้นตาย54คนที่แตกหนีเข้าป่าดงไปก็มากขมรที่จับเป็นมาได้นั้นจำตงโงกคอไว้ทั้ง66คน ใช้ให้หาบคอนและเลี้ยงหมาแล้วหมื่นสิบที่สงครามแต่งให้พันจงใจหานคุมไพร่ไทยหนึ่งร้อยคนกับให้ขเขมรสิบสี่คนเป็นผู้นําทางไปในป่าให้เที่ยวขนหาจับช้างของพระคเชนทรพิทักษ์ซึ่งไปเลี้ยงไว้ในป่าให้ไล่ต้อนมาให้สิ้นเชิงครั้งนั้นพันจงใจหานจับได้ช้างพลายพังในป่ามาได้ไอพลายสิบสองเชือกพังแปดเชือกรวมเป็นยี่สิบเชือก ที่พวกเขเมรขี่พาหนีศูนย์ไปในป่าก็มีมากกว่า20เชือกแต่หมื่นสิทธิสงครามจับช้างได้ในบ้านพระคเชนทรพิทักษ์พราย6เชือกพัง12เชือกรวมเป็น18เชือกรวมช้างพรายทั้งสองราย38เชือกรวบรวมช้างมาไว้ในกองทัพไทยทั้งสิ้นแล้วเก็บได้ทรัพย์สินของเงินทองต่างๆของพระคเชนทรพิทักษ์และของพวกครอบครัวเขเมรที่บ้านหนองบัวนั้นเป็นอันมาก แล้วให้พวกเขเมิฉเฉลยขนข้าวปลาอาหารที่เขเมิดตีมาของไทยไปไว้นั้นขนลงบรรทุกเรือของไทยสิบแปดลำเรือสูญเสียห้าลำเพราะเขเมิกระทุงท้องเรือจมเสียห้าลำแล้วขณะนั้นให้เผาบ้านพระคเชนทนและหมู่บ้านเขเมิที่บ้านหมู่นั้นเสียสิ้นบ้านหมู่นั้นของเขเมิเรียกว่าสรกประพังชุกแปลเป็นภาษาไทยว่าบ้านหนองบัว เมื่อนําไฟไปเผาเย่าเรือนพวกเขเมรหมู่บ้านนั้นไม่หมดแล้วหมือนสิทธิสงครามสั่งให้หมื่นอินทราวุธกับหมื่นนรินทรโยธาคุมไพร่พลไทยหกสิบคนนําเรือลําเลียงบรรทุกสเสบียงอาหารสิบแปดลำมาทรงยังเมืองบันทายมากแล้วหมื่นสิทธิสงครามคุมพลทหารไทยร้อยยี่สิบคนกับครอบครัควเขเมรพระคเชนทรพิทักษ์จำตำโงงคอมาในกองทัพแล้วให้พันจงใจหาร ขุมช้างที่ตีพรุนได้มาสามสิบแปดเชือกนั้นด้วยไทยเดินกองทัพมาในครั้งนั้นถึงเมืองบันทายมาศ ก, ก่อนกองเรือลําเลียงหกวันจึงเรือกองลําเลียงก็มาถึงเมืองขนสเสบียงขึ้นไว้ในเมืองแล้วครั้งนั้นเจ้าพระยาพระขังตั้งอยู่ที่เมืองบันทายมาศจึงแต่งหนังสือบอกฉบับหนึ่งให้ขุนทรงพานิจจินที่เมืองบันทายมาศถือลงเรือเร็วรีบไปแจ้งราชการต่อเจ้าพระยาบดินเดชา อยู่ณเมืองโจโดกทราบโดยเร็วในหนังสือบอกข้อราชการดังนั้นว่าหลวงยกกระบิเมืองจันทบุรีขุมเรือลำเรียงมาถึงกลางทางลำน้ำนั้นขมนเหล่าร้ายยกมาตีเรือสเสบียงอาหารไปได้หลวงยกกระบิกลัวไม่สู้ขมนแล้วลงเรือเล็กหนีมาเสก่อนปล่อยให้แต่ไพรพลอยู่สู้รบกับขมน ขเมนต็วตีพร้นเรือลำเลียงสเสบียงอาหารไปได้หมดทั้งยี่สามลำและคนที่คุมเรือมานั้นก็ตายเกือบหมดแล้วให้พระปลัดเมืองกราที่ชัยหลวงยกกระบะคุมคนสามร้อยยกไปติดตามเรือสเสบียงอาหารยี่สิบสามลำยังหาทันจะถึงเรือสเสบียงไม่ไปเสียทีขเมศที่ในรำพานซึ่งพวกขเมศเรียกชื่อว่าจำโลแปลเป็นภาษาไทยว่าห้วยละหาน ในป่าแขวงเมืองกัมปอดขมรญฆ่าไพรพลไทยในกองพระปรัดตายครั้งนั้นถึงสองยี่สิกคนที่เหลือตายกลับมาได้สามสิบสี่คนแล้วจึงได้แต่งให้หมื่นสิทธิสงครามนายด่านเมืองตราบขุมไพรพลเมืองตราบสองร้อยคนยกไปติดตามตีคืนเรือลำเรียงสเสบียงอาหารกลับคืนมาได้ทั้งหมดแล้วกลับได้ช้างที่ขมรตีปล้นไป เมื่อชักลากเรือรบในคลองขุดใหม่กลับคืนมาได้ทั้งหมด20เชือกและได้ช้างเฉลยขเขมีมาอีก18เชือกเป็นช้างใหญ่ได้ขนาดดีทุกช้างพอใช้ราชการศึกได้ด้วยเป็นช้างอ้วนผีล่ำสันโตน่าใช้สอยแล้วได้ครอบครัวพระเเชนทรพิทัก์นายกองช้างที่เป็นต้นคิดนายโจนมาตีปร้นช้างไทยไปครั้งหนึ่งตีเรือสเสบียงไปครั้งหนึ่ง และจับขมิงครอบครัวมามากได้จาไว้ในเมืองบันทายมากทุกคนแล้วใต้เท้าพระกรุณาเจ้าจะโปรดประการใดจะได้ปฏิบัติตามบัญชาฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาได้ทราบหนังสือบอกข่าวราชการดังนั้นแล้วจึงมีบัญชาสั่งให้หลวงอักษรสุนทรนสมีิตรามีหนังสือตอบเจ้าพระยาพระครังฉบับหนึ่งใจความว่าหนังสือแม่ทัพบก ตั้งพักอยู่ที่เมืองโจดดกมาถึงแม่ทัพเรือได้ทราบด้วยได้รับหนังสือของท่านแม่ทัพเรือซึ่งตั้งพักพลอยู่ที่เมืองบันทายมากมีมาว่าด้วยเรื่องนายกองทัพไทยคุมเรือลำเรียงไปทางการไม่ดีให้เรือเสียแก่ขมินแล้วนายทัพเปรือได้ไปตีกลับเพืนมาได้ทั้งสเสบียงอาหารและช้างครอบครัวเหนนั้นด้วยได้ทราบตลอดทุก ป, ประการแล้วการทั้งนี้ ใครผิดใครชอบต่อราชการครั้งนี้เจ้าคุณพระครังก็ย่อมทราบสิ้นทุกประการแล้วขอให้เจ้าคุณตัดสินตามบทพระอายการศึกแต่หลวงยกกระบัดผู้มีความผิดต่อราชการทับศึกมากถ้าเจ้าคุณเห็นว่าผิดต่อข้ออายการศึกจริงให้ประหารชีวิตหลวงยกกระบัดแก้วเสียที่เมืองบันทายมากให้เป็นตัวอย่างแก่นายทัพนายกองที่จะทาราชการต่อไปภายหน้า แต่พระประหลัดนั้นมีความผิดน้อยควรที่เจ้าคุณพระคังจะเคียนหลังหกสิบทีหรือสาสิบทีแล้วตระเวนรอบคข่สามวันแต่จะถอดเสียจากฐานาสัตหรือจะให้คงตำแหน่งยดเดิมหรือจะลดเสียบ้างก็ตามแต่เจ้าคุณพระขังจะเห็นดีเห็นชอบโดยราชการศึกสงครามเถิดแต่ขอเสียอย่าให้เจ้าคุณพระคังเห็นว่าเป็นญาติเป็นพวกพ้อง ในแม่ทัพระหว่างการศึกสงครามเช่นนี้ไม่ดีเลยมีแต่ตัวแม่ทัพผู้เดียวหายากมิได้อันหนึ่งที่เมืองโจโดกนีเล่าก็ขัดสนสเสบียงอาหารลงบ้างแล้วขอให้เจ้าคุณพระคังสั่งให้นายทัพนายกองคุมสเสบียงอาหารมาส่งให้ถึงเมืองโจโดกในกลางเดือนสีให้จงได้ถ้าข้างแรมเดือนสีแล้วสเสบียงที่เมืองโจโดกเป็นอันขาดมือไม่มีจะรับประทานเลยอันหนึ่งเมื่อเดือนสี่ข้างขึ้น สค่ำ4คสี่ขนั้นผมได้แต่งให้พระพิชัยกับพระอภัยพลรบขุมพร่พลสาบรอยยกไปลาดระเวนหาเบียงอาหารถึงเกาะตำบลหนึ่งขเบรนเรียกชื่อว่าเกาะตึกโครกแทกบีแบกแปลเป็นภาษาไทยว่าเกาะหนามเต้าอยู่ตรงปากคลองสามแยกทางจะลงไปเมืองล่องหูและเมืองสมิทโถแม่ทัพไทยทั้งสองนาย ตีพร้นได้เสบียงอาหารตามชาวบ้านเหล่าเกาะน้ําเต้านั้นแห่งละเล็กละน้อยเพราะไม่ได้พบยุงฉางใหญ่ๆจึงไม่ได้เข้ามามากเพราะฉะนั้นสบียงอาหารจึงไม่พอจับจ่ายเลี้ยงผู้คนในกองทัพ บ, บกกลับได้ให้หลวงไตรนารายกับหลวงโจมจัตุรงคุมเรือเล็กๆที่ได้เฉลยมาแต่ยวนขมรกับไพรคนไทยไปตีพร้นเสบียงอาหารในลําคลองแห่งหนึ่งขมรเรียกชื่อว่า แทกสแกแปลเป็นภาษาไทยว่าครองลูกสนักตีได้ข้าวปลาที่ในครองลูกสนักนั้นได้มาน้อยหาพอใช้สอยจัดจ่ายเหลียงตองทัพไทยไม่ขัดสนสเสบียงมากอยู่แล้วขอให้เจ้าคุณมีความการุณาแก่ไพรผลไทยให้มากถ้าไม่ส่งมาในข้างขึ้นหรือกลางเดือนสีน่นี้เห็นจะต้องทิ้งเมืองโจดกล่าถอยไปตามป่าหาหัวกลอยเพือมันกินพอกันตาย หนังสือมาณนะวันจันทร์เดือนสี่ขึ้นห้าคำ่ำอานามเสีสยามยุทธภาคที่สองตอนที่เจ็ดทัพไทยตามตีโจนเขมรเมืองกำปอดกำลังเข้มข้นไปทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป